เป็นไรในใจฉันมีดูเถ right, uh, sort of ิฉันนี mm ่ประเดาหลวงพ่อที่เขาจับตัวลูกได้ฝันเห็นหลวงพ่อโดยที่หลวงพ่อมาบอกตัวลูกว่าตัวของลูกเต็มไปด้วยเงินเดือนทจะให้ลูกเงินมาณเพิ่หนึ่งไบีใจลูกก็เลยได้ถามว่าลูกจะขอไปี่ทากษานี้จะได้ไหม ลรกกตอบี่าลูกจะส่งความรักษาบังเอิญหัวอั้นราจะรีออกสี่หนึ่งก่อนาอายุของลูกคนเดียวลกการขอให้วันหลวงพ่อมาเข้าฝันให้ลูกใหม่ในเรื่องนี้เมือก่อนมันเป็นจังหวะเข้าฝันทั้งแรกเข้าฝันที่สองไม่ได้ะตังเข้าฝันขอกระตยง เออต้องใจเนินแล้วเลยนะโอ้ใ hmm. ช mm ่คุณนะต้องมีไปรงไปเทียวใช่ผมก็ไม่บอกด้วยจะได้รู้นึกฝันเพราะเป็นนักฟางฝันนี่เป็นฝันดีนะสามารถทาให้สวยได้ก็ฝันก็ฝันเน่แหาไปดูคุณไปอ้าวนี่เขบอกว่าอะไรหลามว่าลมพ่ที่รบจง อ๋อก็จะตกเมตตาเล้ว่าว่าลูกเะฝันฝันว่ารู้มาตามแปลว่าลูกจะต้องตายแน่แน่ตายในไม่ท้ายใช่ไหมความิงลูกยังไม่อยากตายเลยขอให้กเมตตาได้ไหมคืต้องไปยในวันี้ซึ่งไม่เกินหาร้อยปีโลกก็ตายเลยเนาะ ครมาตามนะหลวงพุฒนะครับโอ้หลวงพุฒมาตามท่านมาบอกว่าจะมาจ่ายให้ฉันที่เป็นนี่อยู่มัะยโอไม่ยากเอาตัวแล้วโอมาเทือนมาเทือนเตือนเตือนแต่ที่นี่ถามเงินจะ้านีท่นะครับครับคแล้วพ่อท่านลหลวงพุฒบอกพวกลาว่าสนุนรักาที่จะถวายพ่ประมาณเท่านี้สนุนนั่นไม่เอาแล้วทวัดมีแล้วนะเอาแต่กาง ไา่ได้โลภีอะเลยเอาเก็บใหก่อนว่างๆจะบอกแต่ว่าว่างๆนะไม่ต้องเดี๋ยวต้องไหอะไรอ่าเดี๋ยวมันเป็นหวยเดี๋ยบายนะ่าไปเดี๋ยวกล่าวเท้าลงพ่อที่กระรกอย่างสูงเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาคุณแม่ดอน เป็นประจักษ์้เอารืองภาพตายไปอันนี้ไม่ถามแต่ที่จะถามก็ครูหลังที่ท่านตายเสร็จกันจะปรากฏมีกลิ่นลูกของหมมาให้ลูกได้ไอในรูกเขาฝเสมอพรัักที่บ้านไม่มีใครจุดลูกเลยที่จะเรียนถามว่าในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าผู้ตายไปตีรือไม่ตีเรมือนกังเมือนกัเรมอัน้ ถ้ากินพวกหอมเป็นกินดอกไม้แล้วก็เป็นเทวดาหรือนางฟ้ากลินไม่เหมือนกันาจอแต่ละแต่ละนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอ๊ะนักถ้าถ้าไม่ก่นหลวงพ่อไปหายจะไปกิ่นแบบไหนถ้ากลิ่นเนนักแล้วก็กลิ่นฉันยานักเหรอยานักยานักเป็นนักเอาวินญาณสิบาทที่สิบบาทก็เอา ก็เป็นว่าสบายใจได้อย่างหนึ่งว่าสัญละบอกว่าถ้าผมต้องเป็นกลิ่นยานาจาของมีบางทีเขาเถิไปเตียมาเองผมไม่ของมีมาเองครับ้เมกอนที่ผมคอยไหวไหว้พ่อพอมไปหลายครั้งทำไมเลยไอ้ลูกมันไม่ซึ้งเนี่ยลูกลูกอมอะไรกัไดเนี่ยเปิดอจะลูกตอผมนีเลย เขได้เป็นพบผมก็ยกมือไหว้ใช่าปเป็นอะไรนะสองเง่อโตกัได้จริงจังนะใช่ลู้ผมก็นำองไปดีค่ไหนได้ลูกอะไรโอ้ได้ไหว้ีาไม่ปีนะในเมื่อจิตไม่ถึงพระไอ้สงได้ทำทีสักคามันจะดีธรรมทานเฮ้เก็ให้ลูกโภไม่ลกโภโอ้ถ้าจะได้เป็นสารการจติดราน นี่ตาวนี oh, ่เห็นในมือแบบจะต้องใช้ไบมวยาหญ่หลวงพ่อจะผ่าคือว่าเป็นอย่างนี้ลูปมุขละอนหนึ่งไม่ทราบเป็นยังไงถ้าที่โกรธเพินมเหตุเด็นมันก็รุ่มฟ้าโมโหอะไรก็โมโหดีแหมลูกฮะดีรักโมโหที่ดีหรือคดีไหนดีนะโยมลูกละพระติ ไราเนีั็นไปเรื่อยๆไปโอ้กไปตามไปเลยนะใช่จะได้กันผ่าแล้วอีกเท่านั้นเราได้ไม่ลงในรูดแล้วโอ้ไปเลยจ้าไว้ทำไปรูดไปก่อนเหรอแบบไม่รูกไปเหมือนต่อยากราอย่างนั้นก็เจอว่าโมโหกโหก็ห่างๆแล้วนะอย่าไปจุ่งเันะี๋วจะพาเราดันลงไปด้วยนี่ก็บอกว่าครับหลวงพ่อครับเพอสองวันั้นนี้ลูกไม่ฝันเรื่องรานีมะ อะไราชการดิฮะอะไรยังไงหรราชการดิฮะเกผมเป็นคนดีเขากอกเป็นคนดีอะไรเนตรงนะรอเรือตราอาราก็ารการได้ใช่ใช่ครูแล้วราชาหรือราชาอ่าองค์ที่ห้าไหนอ่ก็อยช่วยช่วยผู้น่ารักตรนัอิงจรก็สารการนะใช่ รายการในขก็ย่อราชแต่แหวงแควรเห็นไหมผู้ทาการในแหแควร์ปลุของแนควองค์ที่ห้าพระราชการหมายว่าเป็นราชาองคที่ห้าข้ามันกันข้ามือนกันห้าไม่ตองาวนี้งไหนรสชาติต่อแน่อาข้อต่อที่เคยเห็นต้องต้อง่จะเสืไรปนนั่นไม่ใช่แต่สมญาทีแล้ว มีนาตอผมจะถวายมีนาถ้าบอกเอมีนานะไม่ไม่บอกเขสอนดีกว่าเอาทุกม right, well, <tr> ีนาเนี่ยอแหลพรือาอะจารย์ถวายมีนาแต่ไม่นดเต่อใช่ใช่เลยเอาทุกมีนาเลยโอ้แกว่าแน่ว่าไม่งั้นเด็ไม่ได้แล้วพอเห็นติดๆจะไม่มีความเกลีวจริงจริง ข้ า, า, าราชการข้าราชการไี่มาข้าราชการไี่ม า, า, า, าแล้วก็ท่านเรียกท่านเรียกลูกว่ า, าลกูกพ่อไเลยที่เจ้านะพอจะบอกให้ที่บ้านของเจ้านะมีอะไรผิดปกตินเล็กน้นอยแต่ว่าไม่เป็นไรพ่อจะช่วย ทีนี้ว่ารัชการที่ห้าได้พาลูกไปเที่ยววิมานของพระองคัญโอปลาบดว่าแปลว่าขาวระยะเป็นประกายขึ้นท่านมีบ้านเยอะเหลือเกินไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสมัยมีกิริสุขเจ้าู้เอรู้ได้ยไงรู้ได้ยังไงเกิดทันเลยก็ไม่ถามว่เกิดทันความจริงอะไนะ่านจริงกจริงถ้าไม่ได้เจ้าชู้นะจะได้ห้า น่าจะมีพรมิหารสีราชาเลมีพรหมิหารสีเวราช้าได้ยังไรเมตตาความรักเสน่หนนาคารักดาธนาความสงสัยเขาอยาอยู่ด้วยกลมาเลยมุสุตายินดีด้วยที่้อามาอยู่เอวขาเหนียเก่าบาช่างมันเคยไ นี่ไม่ใช่จะดูไม่ได้ความมีมุมนี่หาหาสิใจหอมรอบเลยนะกเลยเ็นไม่น่เเลยเออะเวลาเวลาเขาตาน้องตานี่ด่านี่ันราการเนี่ยนะนั่นอ้าวให้เบิกาเดี๋ยวมันเหนื่อยเลกเองนะอ้กูหญิงนี่ด่านานเลยจะด่านาแค่ประชังอะไร ทางหูเทิร์นมันก็เริ่มเราไอ้ตกมือข้างเดียวมันไม่ถูกมือไม่ดังอกจำเลยนะปากปายัง้อเอ่อฤกษติดก็ปากขอเอาอไปไว้ใช้ที่บ้านได้บนเมียด่า้าต่อไปนี้คืว่าพาไปที่วิานสวยงามมากโลกก็เลยบอกกับท่านว่าเอ่อหลวงเอ่อเจ้าเดเจ้าพักอริสเจ้าเดชนะเจ้เดชเจ้าพ้า ถ้าหากว่าลูกไม่มีวิมานในเมืองนิพพานจะขอมาใสยไต่ขุนของพระอจะได้ไหมพระองค์ชั่นก็เลยยิ้มตอบต่อลูกว่าของเองก็มีแล้วลูกก็เลยถามหลวงพ่อว่าธรรมะของเองก็มีแล้วนี่หมายความว่าลูกมีสิทธิจะไปนิพพานธากนี้ให้หรือไม่ใช่ใช่จะไปได้นะ เวลาเดินของเด็กไงเราเดที่เกียรว่าไงอเอาลยดูนะจ๊ะสนใจนะเานแต่ละคนนี่เอาวิ่งนันเลยแต่ไม่รู้วิ่งอะไรนะยังไงจะไปเจอวิ่งแพรวันนี้แค่รู้เยไม่ดีต้องแพรกันแน่โอ้โข้อแตกกันใช่สติแพรสติแพรอ่าจานไป อตัวเลกเก็กเขาจะได้เลยนี่ดอยเนี่ยโอ้เลออ้ <c oughs> อคำเมียเขาหามผ่านดื้อนะนาวาโทแต่หมุต่ห้าม่านดื่อที่ผมไม่ห่านดื้อผมห่านตอวตังสื้อจะเล่กไปอย่างนี้ถ้าผมนะเป็นลูกศิษสุหวพ่อพอเอิญผมได้รับวะคคัมข้าวไปจากมือของหลวพ่อแล้วก็ไปดูช า, าได้ความตั้งใจ จะปรากฏว่ามีกลิ่นพระทำข้าวหอมอยู่ตลอดเวลาบางครั้ผมไม่ได้นํากลิ่ตัวไปด้วยพระอยู่บ้านแต่กลิ่นนั้นก็ตามไปผมไล่ภระรยาฟังภรรยาบอกว่ากระผมนี่พระจะไปมากแล้วใกล้ปฐุมศาลแล้ว <c oughs> ผมก็ตอบว่านี่เป็นเพราะบ า, ม า, ททางมีของพระทำข้าว เพียก็ไม่ยอมเชื่อบอกว่าพี่ใกล้ๆเจอแล้วผมก็เลยเมาขอคำตัดสินจากหลวงพ่อว่าผมกับเวียในใครติด ใ, ใครผูกผมจะจะใกล้หรือจะไกลจะไม่มาด่าได้ตอนนี้ถูกต้องสองคนนะ เ, เ, เพราะว่าเราได้รักติงคนเดียวใช่ไหมใช่พระท่านหลงพอเราคนเดียวถูกต้องพูดถูกที่มีเาขาพ่ายเขาก็ถูกพวกเขาไม่ได้ติด ไม่มีใครผิดูกเพาเขาไม่ได้เปลนไม่ได้เป็นใช่เขาอย่างนี้เขาตกได้ตกวาระวังนะมาดผมระวังนะตกซ้ายตกขาเนี่ปลาตกเต่าอ๋อเหงเหงาเลยร้อเ็มืองั้นเต่าแทนไปก่อนด้ยกัน่ก็เป็นอันว่า ท่านเป็นเจ้าของปัญหานะคนจะภูใจนะท่ารับต้องรัเป็นได้ถือว่าเป็นมงคลนะใช่ใช่เป็นมงคลจะยิ่งผู้ชาถผู้โอแต้อย่างลกษลานคนยัไม่ไม่ได้รับผ่านสืแสดงว่าตายปฏิบัติจอดยอดลูกตายาไม่ยอดมันสดงว่าไม่เสมอกันแต่คนนี้มีจิตเป็นอุปจาระสมาธิอย่างปกติจะสัมผัสได้แตมืจิตเป็นอุปจาระสมาธินี่เเก่งคุณนี่น อย่างนั้นถ้าลูกาทุกคนวามคิดให้ไปจุฬาสมาธิก็มีสิทธิ์มันได้จุฬาสมาธิแล้วลงส้มพูดอะไรนะจุฬาสมาธิหมายผมจะเปลี่ยนใช่แล้วมีไรด้วยไม่ต้อนแล้วจะไหเนี่ยเอาไปเอาไม่ต้องทำอไรายการนี้นะ ดูวิดีโอไปไอต่อเขาไรียรักษามรดกตัวนั <Excel. S 2> <laughs> ้นไปล้อเรียนน้อกเพราะว่าดีแล้วคือน้อไปโลกตาเนี่จะทำให้ญาติโยมมีโอกาสทาบุญทำกุศลถ้าป่ยบ้ามาจะไป้ไหมลกคงไปเองแ่งคืชเมื่วันที่28ไประยะัี่2หมดก็เสืหอม 5,700 บาท ธรรมะยาฟังเขาธรระยาบอกไงรู้ไบอกโรคแบงนี้ของอุบาจารย์ร่นจันทร์แล้วท่านที่เขาธรรมวเนี่ยจันทร์จนี่ยแั้วนนีเสียวใครมกเอนะก็อาจารย์เขาหลอกหลอวจริงโอ้จริงเป็นบรมอาจารย์นี่นะแต่ว่าเป็นที่โอ้ที่อาจารย์นี่ก็ท่านอยู่ว่างๆนะใช่ใช่ หมาว่าต้นไก็ูบมาจากแม่าแล้วมันจเดนะอ้านลายต่อไปถ้าว่าการท้าราก็รุจงแป้งแต่ลูกใด้ไฟงานประจำวิถีของงอคือว่าถ้าเกลับมาไม่ถูกเป็นอยากจะหัวิตหัวใจองค์วัดผมอยากจะรอองค์วัผมยากจะทำบุญองค์วัดผม แล้วฝนุกตายเอาไม่อ so ย so so oh so so so so so so, ู่เอาไม่ไหวเลยถอนต่อยสองกระหลึ <like S 4> <that> ่ง like ข <that> ่อยความือสองกระหลึ่งเอาไหวโดนข้อเอาไหวายวันนี้จะแล้วพรอตกความมือก็สันไม่รู้ใครเอาข้อยพอเช่นเบลเลอร์มาให้ลูกก็ภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากแต่เป็นที่น่าเสียดายตื่นขึ้นมาต้องดีเลยลูกเก็บได้เลยจะไปหาใหม่ไม่เอาไม่เอามาแล้วข้อย ขอไปนิพพานในข้าวได้ได้ได้ได้นิพพานดีกว่ก้อยดีว่าต้เป็กเป็กตัวบ้านก็เป็กส่วนก็เกเวลาถายก็เป็นเ็เป็กยจะได้แต่ต่อยหนึ่งก็เป็นนั้นว่าพี่อาจารย์นิพานไปนานานี้ดีแล้วนะดีก่า้อยแต่ว่ายกโยมตัว้อยดีกวิพพน อ้าวนีน่ยก็อะไรเนี่ยตัวเดเดียวพอเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532โอ้โหตอนเย็น5โมงเศษขณะที่พยาบาลจักที่ผจญพ่ออยู่เขาปรากฏว่าลูกใด้บอกกับชิศที่รู้ว่าพ่อพุทโธนะพ่อนะพ่อก็พูดไม่ได้แต่ก็พยักหน้ารับคิดว่าท่านคงว่าในใจภาวนา ได้ที่สุดท่านจะหมดลงไมยใจดวงเล็กตายไปพันสีเอ่อที่จะเรียนถามก็คือว่าอย่างนี้ว่าอภาวานาไม่ออกเสียงคือภาวานาในใจพุโทโธพุทโธอย่างนี้เส้นใจแล้วจะมีโอกาสไปเกิดท่านบนบ น, บนเขาบ้างหรือเปล่าจ้าไปไม่ได้หรอกหมายล่าแนะน้าต้องอยางดีลงได้แค่อย่างสูงกว่านิพพานกันั้นแหละ <c oughs> ไอ้เวท่านไม่มีอแค่ั้นเองกันเลยครับฮะที่มาแค่นั้นเองก็นเลยใช่ก็บอกบนๆนเนี่มันเลยเขาว่าอ๋ออ๋ออ๋ออ่ายงนีเป็นพุทธานุสติน่ะพุทธานุสติเขาอาใช่พระตุลมารีก็หุดไงเล่าแค่ไม่ถึงพระเจ้านิดเดียวนี่เขานั้นเปความเคารพแตุ่ทมะมะตุลมารีก็บุดนึกมาให้กบจัดโรกเป็นเทวดาได้นี่ท่านตะุกยงแยะใช่ะ ประการที่สองเคยได้พระประการที่สามเคยใส่บาทประการที่สี่เคยด่ายกทรงครับเาบอว่าคนนี้ทาดีเป็นอย่างมากการดีเขามีประจำอยู่แล้วเจ๊คนนี้หอมมะเร็วนะผมจะไปทงานปีตอายุเจ็ดสิปดอพอบพระพักไม่ยิงข้หน้าอย่างนี้ก็จบ แต่ตัวเท่กว่าหใช่เริ่มต้กเกงในวะยางที่เห็นจะต้องถวายอะโงกีไม่ใช่ถวายกางเกงในอ้ากางเกงในอะไหลวพ่อผ้าไมนุ่งหรอกตุมสิธิึตได้อ๋อถวายลว่อหว่อก็ไปแกกับช่เอาเออลืมบอกไปนะเสื้อผ้าใส่องมาถวายผ้าต่อาต่อไปอนนี้ฉบับนี่อะไร อาเาเปียนผ้าแล้วก็ที่ก็รับจากตู้เจ้าพระผูหญิงแน่เรามีปัญหาอาคือว่าอย่างนี้ในที่ทา ง, งานของลูกก็ปรากฏว่าลูกฝากระตนบ้านกรรมสงก็แต่งกันบาบนคร้ ง, งก็เปลี่ยนบางเอาของหลวมงมามาใช้มารับประทานอีตอนนั้นไม่รู้ว่าลูคุณต้นเป็นประการใดตั้งแต่มารับความสอนจากธรรมวิโมกข์ก็ดีจากตอนสปก็ดีเปิดความลอ ะ, ออาะอาละเอียนใจ แล้วก็ต้ว่าตายไปคงไปได้เฉยไม่ดีไม่ชอบแต่ลาวจะเอาไปคืนอจางเดินโนก็ตื่นจะรู้จะเอามาทำมูลก็โคนพ่อไปรับูไม่รู้จะทำยังไงดีเท่าท่าเอวัาถ้าชุงไม่เคยไปเสร็จนะเลอกรับก็เหรอครับอ๋อบอกมานานแล้วนะรับหลับยังรับเลยพ่อที่ไหนมีหลับแลหลับตายศาวัดท่าชุมนี่เนี่ยแล้วมีวิธีการแยกกันอ้าวเอาไปเอาวางมันค้างที่ ถ้าแบมือก็ใส่ในมือเปิดตางย่างกใส่ในย่างถ้าไม่แบมือไม่เปิดของย่างก็วางข้างตัวใช้ได้โอผมแมข้างๆก็รับได้ใช่ใช่ได้เียกลว่า้กรับเป็นยังรับเลยก็ที่หลังพิธาก็ไม่เอาองเอแล้วก็เลยขอเน้นว่าของกางเปียดเป็นของหลวงของราชการนี่ก็มีมากมากน้อยเพียงใดวเล่าบอกว่าเขาไม่แนวอมากเลยหลวงยืนมีสององ ขเขาก็ไม่เป็นไรแล้วทำบุญถวาย้งแทไม่ได้ด้วยหายแล้วก็ยวอย่าเอาเกิดไปนึกถึงใช่ชย อ, อย่าตามนึกถึงนะแล้วอย่าไปเอาต่ออย่าไม่ไดรรมดาใช่ใช<อ>่ถ้าคนเลี้ยงช้างกินขี้ม้าก็แย่<อ>เียง ช, างชาง้างก้องกิี่ช้างถามบริชาหิิเ อ, อาอเอาบ่อยเอาบ่อยเอาบอก็ทกก่าน <c oughs> แล้วย no ่างนั баз, أو, so ้นถึงเี่ยนนันก็ไปทำอะไรเ่อเาเป็อะไโอ้พออย่างนี้อาบุญมาบท้าวร้ก็จิกรส่องโต๊ะครั่คือหนูพูชาละทงข้าวละหาบปาตสามีว่าข้าวสมบูรณีอยสายลมบีก็องค์เราเกิดตัสิทีนี้หนูเอาไปให้เพื่อนบ้างให้คนโน้นบ้างต้องบอกว่านี่ ล้าก็ตะเนงนะขอร้อยเดียวมิโตเป็นฆ่ารถฆ่าทัศนก้รมาสองต้องว่านิจใจไม่สบายก็เลยว่าเอ้นี่เราจะเอาเปลี่ยนเปลืมากมันจะบาดก็สัดออกเป็นายเกิดโตต้าเลยลูกตัดสินใจเอาที่เกินนั้นมาถวายหลวงพ่อเออก็เอาสิกรรมสิ่งที่อดีทีหลังเกินบ่อยๆไง พระเอ็นชอบรวยความจริงเขาไม่บาปนะกรมกานเงินทำมรดกจ่าถนนแล้วทำาอกให้มันรวยทั้งวัดทั้งบ้านเขาบอกเอาไปก็ไปขึ้นอาคารนี่น่อยใช่ไหมถ้าท้องไม่เมั็ดนะตุดสามสิบปีหลายหมื่นใช่รับรองทยินใหญ่ เราไม่กี่นายนไม่กี่ไายนะนี่พี่านุ่มเอาต่อไปนะหลวงพ่อเป็นพ่นน อ, อ, รอร้รงรองยำโง่โลกฟังแกดูว่าหลวงพไม่ค่อยสบา ย, ยาจะทุกเดือนโลกเองก็มีวางเปลงใจก็อยากจะช่วยเหลือก่อนหนักกอ่อนเบาก่อนหลวงพ่อเช่น ตัวที are, possible possible ่ตีพิโสถวายเป็นประจำวานละสามจบรอยปลาล่อยสัตให้อาทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรในเวญของหลวงแล้วทำอย่างอื่นเป็นอย่างมากเช่นนากรรมฐานเป็นต้นแต่ลาหน้าแปลกใจว่าพอทําเป็นประจำอย่างนี้แล้วทําไมอาการหลวงพ่อจึงไม่รู้เลาเบาบางการหายหรือว่าการกระทำของลูกไม่ก๊อกเลือดยังได้ครบเลนะครับก็มารักแขกแขก หมอต้งมานั่งแบบนี้เหรอใช่ที่ฉันเลื่อนนอนไอ้พี่ว่าก็ไปนอนนิดเดียวไปนอนเีื่อคืนเลื่อชั่วโมงเดียวไม่ได้ไรห่วยนะเป็นก้อนอะไรก็ปวดพอจะหลับมันก็ปวดตรงขี่อ้าไปก็ไม่ถ่ายทายนิดหน่อยถ้ากลับมานอนใหม่พอจะหลับมันก็ปวดใหม่ทรมานดีว่าหมอเขาฉิตยาหลับให้ตอนห้าทุ่ม เอ้ซุ้มก็ตื่นมันรมานมากกว่าเนีครับวันนครับเออไก็ตีขนาดนี้ยังต้องเจ็บใต้ได้ด้วยอย่าลืมว่าพระเจ้าท่านก็ป่วยนะครับยงไม้าเขาไดอะยังเล้ยท่านาทีเขาไม่เขาเนาอัดีโดวเส็จใช่ไหมใช่เานนว่า เออเจ็บไส้แดงปวเป็นเรื่องธรรมดาแต่หน้าแต่นี่ลูกๆก็หลาทาานี่ก็ก็ดีดีกับพ่อแล้วดีกลูกลูกระดีพ่อก็ดีอ่าี่จริงๆนะเขาสู้อีทีดีโสเิริญเจริญพุทธคุณธรรมคุณสัมมาคุณเป็นพุทธานติธรรมานิติสักคารณติอย่างนี้มาลงนรกไม่ได้อยู่แล้วถ้านึกถึงฉันทาฉันดีขึ้นเวลานี้อ้วนสมาสองามเดินที่แล้มาังเยอะ เห็นไหมปากกินินโต้ยทำาพ่ออ้วนใช่ใช่นอนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้อ้าวเขาไอพีโซงั้นานอนไม่ได้กินก็ไม่ด้ยังอ้วนได้นะอ๋อแต่กินได้ด้วยนอนได้ด้วยแต่พร้อมเลยดีเนี่ย้วอ๋อแต่เดียวี้พี่ลูกลูกสาวที่บ้านห่างไกลหลองพอก็่จะจะมไม่เไรตั้งใจได้ถึงได้ออทำก็ไปนลูกสาต่อไปนะพี่ดีพีโวด มืออ <c oughs> e ีกีปีโสผเห็นได้คนโราณในเวลาเขาสวดที่ันะไอ้พวกแก่ๆนะครับอีกีปีโทผาโตแม่ย้ายย้ายทางไปย้ายทางมานะเขาราะไหนะเพราะว่าราดทเพลิอ๋อปวไปถ้ามีมาเรื่องสามก็ปูต่างถ้าโหลก็กรนอย่างสูง รูกอ็ศูนย์สาก็ลงเด็กมาแล้วครั้งหนึ่งก็ได้ทำการแก้ไขเอ่อโดยการปลูกใหม่แต่ทีนี้เวลาใป้่งนี่รูปได้ขอบารมีหลวงพ่อให้ส่งตายทิพยไปด้วยในพิธีนั้นด้วยการปิดเทสมาทานกรรมฐานแทนแต่ไม่ได้ถวายปัจจัยลืมไปนั้วนะลูกได้มาถวายภายหลัง เดิตีไม่ทราบว่าเราก็จะโกรธหรือเปล่าลองลาก้าไปหน่อยดูบ้างไม่เป็นไรจ้ะอ๋อถไยหลังถไลหน้านี่ก็ได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เท้าที่ดีนะเป็นชุดเป็นดอกเบี้ยดอกเบี้ยเท่าตัแล้วกันอ่าครับแล้วก็เป็นนั้นว่าไม่เป็นไรนะถไลไปหลังได้ ราชาหลวงพ่อที่กล่อย่างสูงของตัวเลยตัอลูกมีความเข้าใจอยู่นนนเล็กน้อยเกี่ยวกบับเรื่องการตรวจตนอะไรจินตบัญฑรป่าเถื่อนปู่าลแล้วทีนี้ก็สั้งขีดไว้ว่าการที่ตรวจชาวนี้นก็ขอสั้งขีดไว้กัิปานขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต้องอย่ามาแพ้่ทานเลย ผลปรากฏว่าพอตั้งใจจะไป น, นิพพานไดานี้ได้ผลกันที่น้าพอใจเดรมลดหาย <c oughs> าลย้อเห็ <c oughs> บใต้เร่โผล่ตาไม่น่าจะต้องเสียเงนหลายอย่างหลายประการดังนั้นเลยลูกตัดสินใจใหม่ขอเอานิพพานมาตวายคืนหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> เอาเลยจะได้คืนมันาาแรกกันแล้วนี่ อแลเอาไปแล้วเหรอครับใช่ด้เจ็จาคารติกมนานนะรถขายี่เปนจาคาร<า>ุติกรมานนะเป็นฐนอะมีด้วยอืม อ, อ, อ, อันนี้ผุ๊แรงแรงปุ๊แรงมากรมากาครับครับแล้วเรก็จเกี่ยวหรือเปล่าถ้าตั้งใจจะปิบับาิตนี้มันเป็นอยเื่อนมันไม่เกี่ยวกันลับมันเกี่ยวกันกรรมเก่าอาทินาทานาเรและวันนี้สี่ขาประดังสมาธิยัยทำไมสี่ขา นี่อ็ใจไปตกสำับเล่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวตอนรถมันมีสี่ล้อก็สี่ขาไม่หรอกเล่นแต่ที่เอ็ดอ่อก็แสดงว่าที่เราเป็นยังพอเป็นอย่างนี้ออกหายออกเลยที่จริงมันเลิกกกรรมก็จะเริ่มไมเกิดค่งกรรมเดิมไม่เช่เรื่องระพุธการการตั้งใจพระนการดีแล้วกฎข่กรรมเดิมที่ตามไม่ทันไอที่มาทันก็ทัาไปที่มาทันก็เลยตาม เดี๋ยนี้ก็ก็ตั้งใจแบบเดิมนะแค่วผ่นานชานี้ต่อไปนนะเพราะว่านี่อารับไปนะเอาไปนะก็ไปนิพานแล้วก็เอวังก็มีเวสปร า, า, าราตั น, นีไม่ถูกอะไรไม่ถูกต้องเอวังิน